สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายยังมีลมหายใจเพื่อที่จะนมัสการสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมนมัสการที่นำเราเข้าสู่บัลลังพระที่นั่งแห่งการสรรเสริญลองคิดดูสิคะว่านี่เป็นเพียงแค่บ้านชั่วคราวที่เราทั้งหลายต่างได้อยู่อาศัยเราได้มีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าแต่เมื่อวันหนึ่งที่เรากลับไปสู่บ้านถาวรนิรันดรของเรา คือบนแผ่นดินสวรรค์หน้าที่หลักของเราคืออะไรคะสรรเสริญพระเจ้าเราจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาไม่มีแม้กลางวันไม่มีแม้กลางคืนเราจะสรรเสริญพระเจ้าเสมอและเวลานั้นจะมีความสุขมากแค่ไหนไม่อาจจะเทียบบรรยายได้เลยนะคะขอพระคุณพระเจ้าสําหรับการนมัสการในบ่ายวันนี้นะคะเมื่อตอนที่ดิฉัน เรียนในสมัยมัธยมปลายนะคะดิฉันเองไม่ได้มาจากครอบครัวคริสเตียนและดิฉันเองถึงแม้ว่าจะได้เรียนโรงเรียนที่เป็นคริสตศาสนาแต่เป็นอีกคณะนิกายก็ไม่เข้าใจว่าคริสเตียนนั้นแตกต่างจากคริสตังยังไงนะคะก็พอดีว่าเพื่อนของดิฉันในกลุ่มเนี่ยเขาเป็นพี่น้องคริสตังดิฉันก็เลยถามเขาว่า คริสเตียนกับคริสตังต่างกันยังไงคําตอบที่เขาตอบดิฉันยังคงจใ ห, ให้ทําให้ดิฉันจําได้จนถึงทุกวันนี้เขาตอบดิฉันว่าพวกคริสเตียนน่ะเหรอร้องเพลงทั้งวันอะไรก็ร้องเพลงร้องทั้งวันเลยดิฉันว่าเหรอแล้วเขาร้องทําไมเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเคยไปร้องแต่เพลงอยู่นั่นแหละดิฉันจําคําตอบนี้ได้เสมอและณวันนี้ดิฉันเป็นแบบนั้นที่เขาพูดถึงคือร้องเพลงทั้งวัน เราร้องเพลงเพราะอะไรคะเราร้องเพลงเพราะเรามีความสุขแต่สำหรับในชีวิตแห่งความเชื่อบทเพลงไม่ได้ถูกร้องออกมาเฉพาะแค่ช่วงที่มีความสุขจริงไหมคะแม้เวลาที่เราทุกข์ใจเรากังวลใจเราท้อใจเราก็ยังมีบทเพลงที่เราจะร้องเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นดีฉันก็ไม่แปลกใจในคำตอบวันนั้นเพราะว่าวันนี้ดีฉันก็เป็นแบบนั้น เราร้องเพลงเสมอดิฉันเคยคิดว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงเลือกการร้องเพลงหรือการนมัสการเป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทยัยทำไมจึงไม่ใช่เรื่องของการวาดภาพทำไมไม่ใช่เป็นการออกกำลังกายสรรเสริญพระเจ้าหรือเป็นการวิ่งเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเราเคยลองคิดดูไหมคะทำไมพระเจ้าจึงเลือกการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ใช้นมัสการพระองค์ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราทำทุกอย่างเพื่อ น, นำมัสการพระองค์นะคะแต่พระองค์ทรงพอพระทัยกับการร้องเพลงดิฉันจริงได้พบคำตอบอย่างหนึ่งว่าการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจหลายคนบอกอา้าวาดภาพก็ออกมาจากใจได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ออกมาเมื่อวาดภาพคือสีหน้าท่าทางและการเปล่งเสียงใช่คะเมื่อเรามีความสุขเราร้องเพลงแบบมีความสุข เสียงเราหน้าตาเราแววตาเราออกมาอย่างมีความสุขแต่เวลาเราท้อใจบางครั้งเราร้องเพลงไม่ได้แต่น้ำตาเราไหลแทนเสียงเพลงนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้แม้ว่าบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงเคราะหเหมือนอย่างผู้นานมัสการนะคะดิฉันต้องสารภาพว่าเริ่มต้นชีวิตแห่งความเชื่อดิฉันฟังตั้งแต่เทปเลยนะคะเทปคัเสเซนเลยนะคะของ พี่บีสุดใจกิจสนาการเอ๊ะเขาเป็นใครพอเมื่อกี้ได้นั่งฟังยังคุยกับพี่ท่านหนึ่งว่าได้ย้อนลำลึกถึงเหมือนตอนที่ฟังเทปคาสเซตในช่วงเวลานั้นนะคะท่านรับใช้มาอย่างยาวนานด้วยของประธานหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราร้องเพลงไม่เพาะบางคนบอกปลบมือยังค่อมจังหวะเลยนะคะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงบอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ชอบหรือไม่ชอบ ทอดพระเนตรผู้ที่นมั ส, ส ก, การพระองค์ด้วยหัวใจนะคะเราร้องเพลงคนอื่นฟังอาจจะไม่เพราะแต่พระเจ้าบอกว่าสุดยอดทําไมร้องเพราะอย่างนี้คนอื่นปิดหูเลยนะร้องค่อมจังหวะขนาดนี้นะคะแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าร้องเพลงเพราะเพราะเราร้องจากหัวใจเหมือนอย่างที่ผู้นําได้กล่าวไว้นะคะว่าเดือนนี้หัวข้อเทศนาสําหรับ คิสจากประจำเดือนนี้ก็คือดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการเพราะฉะนั้นดิฉันจึงถือโอกาสนี้นะคะนำบทเทศนาบทนี้ซึ่งเป็นบทที่สำคัญบทหนึง่งให้กับพี่น้องได้เป็นพระพรร่วมกันและหัวข้อในวันนี้ก็เป็นชื่อหัวข้อเรื่องบทเพลงแห่งชีวิตดิฉันเองเป็นคนที่ชื่นชอบพระธรรมสดุดีนะคะแทบจะเรียกว่าชื่นชอบเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้สดุดีมีทั้งหมดหนึ่งห้าบทนะคะ และมักจะเป็นบทที่ดิฉันมักจะเลือกที่จะเฝ้าเดี่ยวซ้ำๆหลายๆครั้งถ้าหากดูในพมพีนะคะสะดุดีเป็นบทที่ดิฉันจดไฮไลท์ขีดเส้นใต้วงกลมพับหน้ากระดาษเอาไว้เยอะมากเลยทีเดียวไม่ใช่ไม่รักบทอื่นแต่รู้สึกว่าสะดุดีเป็นเหมือนบทเพลงแห่งชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานสะดุดีให้เราถึงห้าิบท ไม่มีพระธรรมเล่มใดนะคะในพระพีที่มีความยาวถึงร้อยบทเลยถ้าเราลองศึกษาดูนะคะข้าพเจ้าเคยคิดว่าถ้าพระเจ้านะทรงประทานธรรมอาจารย์พระธรรมปัญญาจารย์ยาวถึงร้อยห้าสิบบทโอ้โหเรานี่นั่งอนิจจังกันทั้งวันเลยนะคะแค่ทุกวันนี้ก็อนิจจังกันจะแย่แล้วแต่ถ้ามีปัญญาจารย์สักห้าร้อยห้าสิบบทเราคงต้องอนิจจังมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วถ้ามีวิวร์สละร้อยห้าสิบบทละคะ โอ้โน่ากลัวเหลือเกินมีเท่านี้ก็ยังน่าสะพรึงกลัวจนลับแทบจะไม่ได้ว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาด้วยเสียงแตรด้วยอะไรต่างๆเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าวิวรมีสักร้อยห้าสิบบทโอ้โหน่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงขอพระคุณพระเจ้าที่พระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์นะคะจุดเด่นของพระธรรมสะดุดีนะคะดิฉันอยากจะยก บางประการมาให้ทุกท่านได้ทราบนอกจากที่พระธรรมสดุดีจะเป็นพระธรรมที่ยาวที่สุดมีถึง150บทแล้วสดุดีก็ยังเป็นพระธรรมที่มีการบันทึกโดยที่มีผู้เขียนมากที่สุดนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นผู้เขียนพระธรรมสดุดีประมาณ73ดบทอาสาบนะคะเขียน12บบทบุตรของโคราเขียน10บท กษัตริย์ซาโลมอนเขียนสองบทและที่เหลือจะเป็นโมเสสเฮมาและเอทานเขียนคนละหนึ่งบทนะคะพระธรรมเล่มนี้นะคะมีระยะเวลาครอบคลุมประมาณเกือบหนึ่งพันปีเลยทีเดียวตั้งแต่สมัยโมเสสเลื่อยมานะคะจนถึงในยุคลาชานาจาของอิสราเอลที่แบ่งเป็นทางเหนือและทางใต้จนถึงในยุคที่คนอิสราเอลถูกจับไปเป็นเชลยนะคะที่บาบิโลน เขามีเอานักมีมีนักวิชาการได้บอกว่าพระธรรมสดุดีมีช่วงระยะเวลากินเวลาอยู่ที่ราวๆประมาณ1นึ่ก่อนคิดตศักราชถึง500ก่อนคิดตศักรลาชคิดดูสิคะเป็นพระธรรมนอกจากยาวในเรื่องเนื้อหาแล้วก็ยังยาวในเรื่องของระยะเวลาในพระธรรมสดุดีนี้นะคะบทที่ยาวที่สุดคือบทที่เท่าไหร่คะ หนึ่ง้อยสิบนะคะเชียนนิดเดียวเชียนนิดเดียวนะคะบทที่ยาวที่สุดคือบทที่หนึ่ง้อสิบ้ามีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหข้อที่พูดถึงกฎหมายของพระเจ้าพระบัญญัตินะคะพระธรรมพระโอวาทได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าและบทที่สั้นที่สุดอยู่ใกล้ๆกกันเลยค่ะอยู่ที่บทที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดมีแค่สองข้อเท่านั้น ะะแต่ไม่ว่าบทที่ยาวหรือจะสั้นอย่างไรนะคะทุกบทต่างมีคำว่าสรรเสริญ น, นะคะและมีคนเคยคำนวณอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราเดินกันมาพบกันครึ่งทางของพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะคะข้อและบทที่เป็นกึ่งกลางของพระคัมภีร์ทั้งหมด66เล่มจะมาตกอยู่ที่พระธรรมสดุดีบทที่118ข้อที่8 กลางแบบพอดีเป๊ะๆ เ, เลยนะคะและนั่นเป็นข้อความที่บอกว่าเข้ารีภายอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์นะคะและในสดุดีนี้เช่นกันนะคะที่มีคาว่ารักมากที่สุดมากถึง127คําคำและเหตุนี้เองที่เราจึงต้องรักการนมัสการและรักการสรรเสริญพระเจ้า ะะขอพระคุณพระเจ้าที่พระธรรมตอนนี้ได้สอนชีวิตเป็นพระธรรมที่เป็นบทเพลงที่ร่วมสมัยให้กับชีวิตของเรานะคะดาวิดจริงๆแล้วอย่างที่เมืเอ่อกี้ดิฉันได้บอกไปแล้วนะคะขสัต ด, ดาวิดเป็นผู้ประพันบทเพลงสะดุดีไว้มากที่สุดก็คือถึง73บทจริงๆแล้วงานของพระองค์ที่พระองค์ต้องการอยากจะทาคือการสร้างพระวิหารนะคะถ้าทุกท่านจำได้รู้ว่า กษัตริย์ดาวิด ต, ต้องการสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าแต่พระองค์ไม่อนุญาตเพราะว่ามือของกษัตริย์ดาวิดนั้นเปื้อนเลือดก็คือไปเป็นนักรบนะคะสู้รบและททำให้เลือดของคนจำนวนมากก็ต้องหลั่งออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้มอบหมายให้กับผู้ที่สร้างพระวิหารคนต่อไปนั่นก็คือลูกของกษัตริย์ดาวิดก็คือกษัตริย์ซโลมอน นะะในยุคสมัยนั้นเราจึงได้พบกับพระวิหารซาโลมอนที่สวยงามแล้วก็ล้าค่าเกินบรรยายนะคะแต่เราเด็กย้อนกลับมาดูว่าแลวดาวิดล่ะทำอย่างไรในเมื่อเหมือนจะผิดหวังในสิ่งที่ต้องการอยากจะทำให้พระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ปาฏนายเขาทำแต่ในส่วนที่ดาวิดได้ทำนะคะถ้าเราศึกษาพระพ์เราจะพบว่า สิ่งที่ดาวิดได้ทำก็คือเขาจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้กับลูกชายเพื่อรอสร้างพระวิหารและนอกจากจะอุปกรณ์แล้วนะคะดาวิดเองก็ได้เขียนบทเพลงสดุดีร้ายต่อหลายบทที่มีกี้ที่ฉันได้บอกไปเพื่อใช้ในการสรรเสริญพระเจ้าและเมื่อพระวิหารหลังนั้นสร้างเสร็จนี่คือวัสดุฝ่ายวิญญาณที่ดาวิดเตรียมไว้ พระวิหารจะสวยงามแค่ไหนจะไม่มีค่าเลยถ้าพระวิหารนั้นไม่มีการนมัส ก, การพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่ดาวิดเองมีหัวใจแห่งการนมัส ก, การนะคะและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระธรรมเล่มนี้การบันทึกสดุดีของชีวิตของผู้ประพันธ์แต่ละท่านเนี่ยแน่นอนนะคะประการที่หนึ่งจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือเขียนขึ้นจากประสบการณ์แห่งความทุกข์ยากลบาบาก ที่พระเจ้าทรงหนุนใจและช่วยกู้บางครั้งเราอ่านพระธรรมสดุดีเราจึงอุ๊ยตกใจทำไมช่างตรงกับชีวิตเราเหลือเกินสมัยตอนวัยรุ่นค่ะจำได้ไหมคะเวลาเราฟังเพลงโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เราอกหักใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเพลงนี้เขาแต่งเพื่อฉันหรือเปล่าทำไมมันช่างตรงกับชีวิตฉันอะไรเช่นนี้นะคะ แต่ในพระธรรมสดุดีเป็นยิ่งกว่านั้นนะคะเป็นบทเพลงแห่งชีวิตที่หลายต่อหลายครั้งที่เราได้อ่านวรามีเราได้อธิษฐานเราได้เฝ้าเดี่ยวเราสุกโผทำไมพระเจ้ารู้ทำไมพระเจ้าตอบเราตรงเป๊ะขนาดนี้นะคะก็ไม่น่าแปลกใจค่ะเพราะจริงๆแล้ว ด้วยความรักที่พระ อ, องค์ทรงมีกับเราความห่วงใยที่พระ อ, องค์มีต่อเราหรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้ประพันธ์ที่ประพันธ์มาจากความทุกข์ยากลําบากเขาเองก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ต่างจากเราเขาพบเจอกับช่วงตกต่ําของชีวิตเขาพบเจอกับช่วงเวลาที่พระเจ้ายกชูเขาขึ้นและนั่นเป็นเหตุที่ทําให้เขามีบทเพลงในการสรรเสริญพระเจ้าเลยประการหนึ่งค่ะที่พระธรรมสดุดีเล่มนี้ถูกบันทึกขึ้นก็เพราะว่า พระธรรมสดุดีเขียนขึ้นเพื่อจะยกย่องและสรรเสริญนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงใจนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะบรรยายถึงความรักแล้วก็ความพระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อเราได้เท่าบทเพลงสดุดีและในที่สุดนะคะในพระธรรมสดุดีเล่มนี้เองก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายในบทที่150ข้อที่6 ที่ผู้เขียนสดุดีสรุปว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าเถิดเป็นบทสรุปที่สวยงามนะคะพระธรรมสะดุดีเป็นเล่มที่มีชีวิตชีวาซึ่งถูกเขียนเป็นบทเพลงแล้วก็ทำให้เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณพระเจ้านะคะถือเป็นบทเพลงสุดท้ายที่เหมาะสมแล้วก็เป็นบทสรุปของพระธรรมสะดุดีทั้งเล่ม เปรียบเหมือนชีวิตของเรานะคะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะคะจนถึงวาระสุดท้ายที่ได้เห็นพระคุณพระพรพระกรุณาและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีประสบการณ์ในความรักมั่นคงกับพระองค์นับร้อยนับพันครั้งนะคะจึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะได้สรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมสัตุดีนี้นะคะมีคําว่าสรรเสริญมากมายนะคะหรือการนมัสการเนี่ยนะคะ แทบจะแทบจะทุกบทเลยก็ว่าได้คำสรรเสริญนี้นะคะมาจากคําว่าเพรสนะคะ p r a i s e a พรสที่แปลว่ามีราคาเห็นคุณค่านะคะก็คือการที่เราเห็นคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หมายถึงการที่สรรเสริญพระเจ้าหมายถึงว่าการการที่เราเห็นคุณค่าของพระเจ้าหรือคําสรรเสริญอีกคํานึงที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยก็คือคําว่าฮาเลลูยา ใช่ไหมคะฮาเลลูยาดิฉันเคยพาเพื่อนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านี่ค่ะมาร่วมนมัส ก, การวันนั้นผูนำนำ้นํานมัสการให้เราพูดคําว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพื่อนก็หันมาถามเธอเธอภาษาอะไรฮะ <laughs> แปลว่าอะไรหรอฮาเลลูยาเป็นโค้ดลับของพวกเธอหรือเปล่าหรือเป็นพาสเวิร์ดในการที่เข้านมัส ก, การไหมนะคะเขาไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าคำคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ แต่ฮาเลลูยานะคะเป็นภาษาฮิบรูนะคะแปลว่าการส่งเสียงดังยกย่องพระเจ้าอย่างเลอเลิศการสรรเสริญก็คือการเปิดเปิดปากออกเสียงให้คนรอบข้างได้ยินนั่นเองมีใครไหมคะสรรเสริญพระเจ้าในใจยืนเฉยๆเงียบๆแล้วทุกคนก็ถามทำอะไรอยู่สรรเสริญพระเจ้าอยู่สรรเสริญยังไงอ่ะสรรเสริญในใจไม่พูดไม่แสดงออกมามีเพลงหนึ่งที่บอกว่าขอบคุณพระเจ้า อยู่ในใจอยู่คนเดียวเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าอยู่ในใจถ้าเรามีโอกาสนะคะการที่เราเปล่งเสียงออกมาเป็นการที่เราแสดงออกถึงความขอบพระคุณเราเปล่งเสียงออกมาเราแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีเราเปล่งเสียงออกมาเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูรู้คุณการที่เราพูดอะไรย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆนะคะมันเป็นการตอบย้าเราว่าเรากาลังคิดอะไรและทาอะไรอยู่ เพราะนั้นเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งเราขอบพระคุณพระเจ้าบ่อยๆเป็นการตอกย้ําชีวิตเราว่านี่แหละเป็นการที่ชีวิตเราอยากขอบพระคุณพระ อ, องค์และอย่าให้คำคำนี้เป็นเพียงแค่คําที่เราติดปากนะคะคริสเตียนหลายคนอุ้ยขอบคุณขอบพระคุณพระเจ้าเนอะฉันแต่เดดเดดเดดเดแต่จริงๆแล้วไม่ได้แค่ขอบพระคุณพระเจ้าหรอกเป็นแค่วลีขึ้นต้นให้ดูสว ย, สวยๆเฉยๆ หรือแม้กระทั่งเวลาเราได้ยินใครพูดอะไรแล้วก็ฮาเลลูยาแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกสรรเสริญพระเจ้าอย่างนั้นหรือแม้แต่คําว่าขอพระเจ้าอวยพร น, นะหรือคําว่าและเดี๋ยวจะที่ฐานเผื่อนะเป็นวลียอดฮิตของคริสเตียนเลยค่ะแต่เราทําจริงหรือเปล่าเรารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าเราคิดตามแบบนั้นหรือเปล่าขอพระเจ้าเมตตานะคะ เมื่อการสรรเสริญพระเจ้านะคะหรือการที่เรานำมัดกรพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปาถนานะคะเป็นสิ่งที่พระองค์ปาถนาแต่หลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าทำไมเราต้องสรรเสริญพระเจ้าทาไมเราต้องสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ที่ฉันจึงมีเหตุผลนะคะหม้ทุกท่านได้ได้รับพระพรร่วมกันนะคะเหตุผลที่เราต้องนำมัดกห้ารประการนะคะ ประการที่หนึ่งะคะเพราะเป็นพระบัญชาที่พระองค์ให้เราได้สรรเสริญอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อห้าข้อหนึ่งะคะในพระธรรมสดุดีบทที่หยข้อหนึ่งถ้อยคำแรกเขียนว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเป็นพระบัญชาที่พระองค์ทรงสั่งให้เราสรรเสริญหลายคนเลยถามว่าอา้าวนั่นแปลว่าพระเจ้า ต้องการให้เราสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลาหรอพระองค์ชอบให้เราต้องคอยร้องสรรเสริญพระองค์หรือยังไงนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะคำสรรเสริญของเรานั้นไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพระองค์ฟังอีกครั้งนะคะคำสรรเสริญของเราไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพระองค์แต่พระองค์ทราบดีว่าเราจําเป็นต้องสรรเสริญพระองค์แน่นอนการสรรเสริญไม่ได้เป็นประโยชน์อันใดกับ พระเจ้าเลยนะคะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่องค์เดียวถ้าเราไม่สรรเสริญพระเจ้าพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าอยู่ไหมคะยังทรงเป็นพระเจ้าอยู่พระองค์ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์มายกย่องพระองค์เพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ตรัสแล้วว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นไม่มีมนุษย์คนใดที่จะบังคับให้พระองค์เป็นอย่างไรก็ได้แต่พระองค์ทรงเป็นในสิ่งที่พระองค์เป็นอยู่แล้ว การสรรเสริญพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้ยกเขาเรียกอะไรคะยกระดับความเป็นพระเจ้าของพระองค์ไม่ใช่เราเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปแล้วว่าอาพระองค์เจ้าค้าสรรเสริญพระองค์ละนะขอพระองค์เป็นพระเจ้านะไม่ใช่เลยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแล้วทาไมพระองค์จึงต้องสั่งให้เราสรรเสริญล่ะคําตอบง่ายๆค่ะคําตอบนั้นก็คือว่าการสรรเสริญพระเจ้านั้น เพื่อประโยชน์ของตัวเองฟังแลวดูแปลกๆนะคะการสรรเสริญพระเจ้านั้นเพื่อประโยชน์ของตนเองเนื่องจากการสรรเสริญพระเจ้าจะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าหัวใจของเราจะสรรเสริญและขอบคุณพระองค์เมื่อเราสรรเสริญยกย่องเทิดทูนใครนั่นคือหัวใจแห่งการสานึกในพระคุณ หรืออย่างที่มีใครเคยบอกว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครพระเจ้าเป็นใครทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องอย่ามีครั้งนะคะต่อให้เราไม่สรรเสริญพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระเจ้าแต่เมื่อเราสรรเสริญพระองค์ น, นมัสศการพระองค์นั้นก็เพื่อประโยชน์ของตัวเราให้เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและดาเนินชีวิตไปกับพระองค์อย่างขอบพระคุณ นี่คือประการที่1ทำไมเราต้องนมัสการประการที่สองนะคะสำหรับการสรรเสริญก็คือพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่ 22: ่ข้อ3นะคะถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลพระองค์ทรงรักการสรรเสริญการนมัสการ พระ อ, องค์พอพระไทยในคําสรรเสริญของเราและพระสิริของรพระ อ, องค์อองก็ประทับอยู่เหนือคําสรรเสริญนั้นนะคะในพระธรรมข้อนี้ถือว่าเป็นความล้าลึกฝ่ายวิญญาณประการหนึง่งที่เราอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจว่าคําสรรเสริญนั้นคืออะไรแล้วพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือคําสรรเสริญนั้นหมายความว่าอย่างไรถ้าเราลองศึกษาดีๆนะคะในพระธรรมอิสยาบทที่60ข้อ18 จะมีกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่การที่จะเข้าใจในหัวข้อนี้ก็คือว่าในพระธรรมอิสยาบันทึกว่าเจ้าจะเรียกกําแพงของเจ้าว่าความรอดและประตูเมืองของเจ้าว่าความสรรเสริญเราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงประตูนะคะพูดถึงประตูว่าเป็นประตูแห่งการสรรเสริญซึ่งเราพบว่าเกี่ยวเนื่องกับการสรเสริญเพราะว่ากุญแจดอกนี้นะคะ ไขไปสู่ข้อพันธีอีกข้อหนึ่งคือสดุดีบทที่87ข้อ2บอกว่าพระเจ้าทรงรักประตูซิโยนนะคะมากยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดๆของยาโคบพระเจ้าทรงรักประตูของซิโยนมากกว่าที่อาศัยใดๆของยาโคบแล้วเราย้อนมองกลับไปที่เมื่อกี้อิสยาห์บทที่60ข้อ18บอกพระเจ้าทรงถือว่าประตูเมืองนั้น เป็นคําสรรเสริญพระองค์ทรงประทับและสถิตยอยู่ณที่นั่นเหนือคําสรรเสริญพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายเข้ามายัางพระวิหารด้วยการโมทนาและเข้ามาบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยคําสรรเสริญนี่เป็นเหตุว่าทําไมชีวิตคริสเตียนจึงต้องสรรเสริญพระเจ้าจึงต้องนมัสการพระองค์และประการที่สามนะคะ เรายังจะสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยการดีที่พระองค์ได้ทรงกระทําและพระองค์นั้นมีคุณค่าและคู่ควรแก่การสรรเสริญจริงไหมคะพระองค์ทรงทําดีกับชีวิตเราไหมคะเอเมนเนาะเอเมนหลายคนบอกว่าการที่พระองค์ได้ทรงกระทําดีกับเราเราไม่รู้จะเอาอะไรตอบแทนพระองค์นะคะชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่เพียงพอในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อเรา พระองค์ทอะไรให้เราบ้างที่แน่ๆเลยนะคะยอห์นบทที่สาข้อ16บเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พิ น, นาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อแค่ข้อนี้ก็จบแล้วคะ่ะชีวิตเราทั้งชีวิตถ้าไม่มีพระองค์เราก็ทำไมคะพิ น, นาศเพราะฉะนั้นการมีพระองค์จึงเป็นสิ่งที่ เป็นการดีที่พระองค์ได้ให้กับเราที่เราได้โมทนาพระคุณพระเจ้านะคะอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่92บข้อหนึ่งที่บอกว่าเป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเจ้าข้าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เราดีใจนะคะเราดีใจที่เราได้นมัสการพระเจ้าและพระองค์ก็คู่ควรกับการสรรเสริญมีบทเพลงหนึ่งที่ร้องว่า พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญหลายท่านชอบเพลงนี้ใช่ไหมคะเราร้องแล้วเราสึกอย่างนั้นนะคะและมีอีกบทเพลงหนึ่งที่มีประโยคนึงที่พูดว่าข้าพระองค์ไม่มีพระอื่นใดในชีวิตอีกแล้วนอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงคู่ควรและมีคุณค่าเก่กับการสรรเสริญในชีวิตของเราทั้งหลายมาร์ตินลูเทอร์นะคะ <c oughs> นักประกาศที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ได้กล่าวว้อย่างนี้ค่ะว่าไม่มีผู้ใดจะสรรเสริญพระเจ้าได้จนกว่าผู้นั้นจะตระหนักว่าไม่มีสิ่งดีใดๆในตัวของเขาที่มีค่าควรเก็่การสรรเสริญแต่ทุกสิ่งที่มีคุณค่าควรเก็่การสรรเสริญนั้นมีอยู่ในพระเจ้าและประทานมาโดยพระองค์เท่านั้นและพระเจ้านั้นทรงสมควรได้รับการสรรเสริญตลอดนินินรันดร เพราะความดีงามของพระ อ, องค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่เคยดับสูญดังนั้นเราจึงสามารถสรรเสริญพระ อ, องค์ ส, สืบสืบไปเป็นนิดมาติลูเทอร์ได้บอกสรุปง่ายๆค่ะเขาบอกว่าการสรรเสริญจะออกมาจากชีวิตของคนคนหนึ่งที่ตระหนักว่าตัวเขาถ้าปัิจากพระเจ้าเขาไม่มีอะไรดีเลยและพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ดียอดเยี่ยมและสมควรที่เขาจะสรรเสริญและก้มกราบ และจะเป็นการสรรเสริญที่เป็นนิดนิลันดรไม่มีวันที่จะพอไม่มีวันที่จะเพียงพอไม่มีวันที่จะหยุดการนนะมัสการพระองค์ได้ถ้าตราบใดเรารู้ว่าเราเป็นใครและพระองค์เป็นใครเหมือนอย่างที่ดาวิดเคยเขียนไว้ใช่ไหมคะบอกว่าถ้าข้าพระองค์ปาสจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็ไม่มีอะไรดีเลยเมื่อกี้อย่างบทเพลงหนึ่งที่ผู้นําได้นําเราร้องนะคะเมื่อ ย้อนมองกลับไปในวันวานชีวิตได้เริ่มต้นมาอย่างไรขอใช้ชีวิตเป็นไปตามน้ําพระทัยพระองค์นําให้มีวันนี้แค่ท่อนเนี้ค่ะดิฉันน้ําตาไหลเลยมันเหมือนที่เราดูภาพยนตร์แล้วเราแฟชแบ็กกลับไปเรามองย้อนกลับไปในชีวิตเราณวันนี้สารภาพตามตรงเลยนะคะว่าคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีพระเจ้าชีวิตจะอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีพระเจ้าคนคนนี้จะอยู่ที่ไหนดิฉันจะทําอะไรอยู่อาจจะสําเร็จในโลกเหรอและชีวิตจะมีความสุขไหมหรืออาจจะเป็นคนที่เหลวไหลเป็นคนที่ย่ําแย่เพราะธรรมชาติบาปมักจะดึงเราไปในทางที่ต่ํากว่าเสมอนึกไม่ออกเลยค่ะนึกได้อย่างเดียวว่าขอบคุณพระเจ้าดิฉันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวคริสเตียน การที่เริ่มต้นเชื่อของดิฉันก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพที่สวยหรูมากนะักดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านความเชื่อแล้วรู้สึกว่าคริสเตียนเหล่านี้แหละเอะอะอะไรก็ชอบให้เรามาเชื่อพระเจ้าพระพระเจ้าของเธอดีนักเหรอพระของฉันก็ดีต่อต้านต่อสู้ก้าวร้าวนะคะแล้วก็หยาบคาย กับคนที่มาประกาศกับดิฉันแต่ด้วยพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆที่ไว้ชีวิตดิฉันและไม่ได้ถือโทษในความไม่รู้ของดิฉันและทําให้ดิฉันเองได้มีวันนี้วันที่ได้นมัสการพระเจ้าวันที่ได้ชื่อว่ามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกกับดิฉันไว้ว่าคุณจําไว้นะการเป็นผู้รับใช้ไม่ได้หมายความว่าคุณดีกว่าคนอื่นหรือเก่งกว่าสมาชิก แต่อย่าให้คุณรู้เลยว่าที่พระเจ้าเรียกคุณมาให้ปนิบัติรับใช้พระองค์นั้นนะ่ะเพราะพระองค์รู้ว่าถ้าคุณเป็นคาวาสคุณอาจจะเป็นคาวาสที่แย่กว่าคนอื่นก็ได้พระเจ้าจึงเรียกมาให้อยู่ใกล้ๆจะได้เขกหัวง่ายๆหน่อยไม่ได้ว่าเก่งกว่าคนอื่นนะคะและนี่เป็นสิ่งที่ดิฉันระลึกและก็ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอว่า พระองค์ไม่ได้ช่วยดิฉันให้พ้นจากหุบเหวแห่งความตายเท่านั้นแต่พระองค์ทรงให้ดิฉันมายืนอยู่จำพาะพระพักพระเจ้าและฟังคำสั่งว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดในชีวิตของดิฉันนี่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่ทั้งตัวเองครอบครัวแล้วก็วงตระกูลในการที่ได้มารับใช้พระเจ้านะคะเหตุผลประการที่4ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เรานมัสการพระเจ้าเพราะเราถูกสร้างมาเพื่อนมัสการพระองค์ นะคะเราทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ได้ทรงเลือกและทรงเลือกไว้เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้เราทั้งหลายประกาศพระบารามีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์จากพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่9พระพิตรตอนนี้ได้บอกกับเราว่าเราได้ถูกเลือก คำว่าถูกเลือกถ้าเรามองเข้าไปให้ลึกซึ้งกว่านั้นคำว่าถูกเลือกนั่นหมายความว่าเราต้องถูกคัดสรรถูกไหมคะเราจะต้องถูกเฉพาะเจาะจงกับอะไรบางอย่างแล้วพระเจ้าก็เลือกเราออกมาเลือกเราออกมาทำไมเลือกเราออกมาเพื่อสรรเสริญพระองค์เพื่อนมัสการพระองค์เพื่อที่จะประกาศพระนามของพระองค์คนในโลกนี้นะคะมีมากมายเลยทีเดียวที่ ปรารถนาที่จะเติมหัวใจของเขาให้เต็มแต่เขาหาสิ่งนั้นไม่พบเขาก็พยายามแสวงหาสิ่งต่างๆอย่างสุดกำลังในทางที่ผิดแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าการเติมเต็มในจิตใจที่แท้จริงนั้นคืออะไรดิฉันเคยถามพี่น้องบางท่านว่าทราบไหมคะอวัยวะที่กว้างที่สุดในร่างกายของมนุษย์คืออวัยวะส่วนใดหลายคนบอกผิวหนังมั้ง เพราะว่าถ้าแผ่ออกมาก็ได้หลายตารางเมตรอยู่นะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าตัวไซส์ขนาดนี้แผ่มาได้เยอะมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอวัยวะที่กว้างที่สุดในร่างกายของมนุษย์คือหัวใจทำไมถึงบอกว่ากว้างคือหาดกี่ร้อยล้านกี่สิบล้านเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มเงินมีมากเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็ม ใหญ่พอไหมคะใหญ่มากเนาะใหญ่มากเพราะฉะนั้นหัวใจดวงนี้หรือดวงใจดวงนี้นะคะจะเต็มก็ต่อเมื่อมีพระเจ้าเท่านั้นและมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์ถ้ามนุษย์คนใดเดินมาถึงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั่นคือสรรเสริญพระเจ้าเขาจะรู้สึกว่านั่นแหละคือการเติมเต็มในชีวิตและสิ่งนั้นเองที่ดิฉันหามานาน ก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าคำคำนี้ก็คือคำว่าสันติสุขดิฉันไม่เคยรู้จักคำว่าสันติสุขเลยค่ะรู้จักแต่คำว่าความสุขเมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเคยเล่นคำง่ายๆค่ะเขาบอกว่าความสุขเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรคะ happy h a o e p y happy จะมี happy ก็ต่อเมื่อมี happen จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเกิดอะไรขึ้นบางอย่าง ถ้าวันนี้หัวหน้าชมเป็นไงคะมีความสุขไหมมีความสุขมีความสุขได้สักพักหนึ่งหัวหน้าเรียกไปตําหนิความสุขหายเลยหายไปไหนไม่รู้เมื่อกี้ยังเพิ่งสุขอยู่แแบบเพราะฉะนั้นความสุขจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นแล้วคนเรานะคะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้อยู่ตลอดเวลาจริงไหมคะตอนให้คุณจะหลอกใครยิ้มแย้มแจ่มใสแค่ไหนแต่ เราก็ต้องยอมรับว่าความสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนและถาวรในชีวิตของมนุษย์แต่สันติสุขตะหากสันติสุขตะหากที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเราให้สันติสุขแก่ท่านไม่เหมือนอย่างที่โลกให้สันติสุขนี้ไม่เหมือนกับที่โลกให้โลกให้อะไรมากแค่ไหนก็เทียบไม่ได้กับสันติสุขที่พระองค์ให้และนั่นเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อเราได้รับ และนี่คือสิ่งที่ทําให้เราสรรเสริญพระเจ้าเราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยความสุขโอ้วันนี้เข้าควรมีความสุขเราจะร้องเพลงเสียงดังเลยเราจะนมัสการพระเจ้าอย่างมีความสุขเลยไม่ใช่แต่ท่าทีของการนมัสการพระเจ้าต้องเกิดจากสันติสุขในหัวใจต่อให้วันนั้นเป็นวันที่ย่มแย่ที่สุดในชีวิตแต่เมื่อเราก้าวเข้ามายังคริสจักรของพระเจ้าเราพบกับสันติสุขในชีวิตมันทาให้เราเป่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าได้อเมนไหมคะ a เม n ไม่ว่าสถานการณ์ใดในชีวิตของเราไม่มีสิทธิในการที่จะทําให้การสรรเสริญพระเจ้าของเราด้อยคุณภาพลงไปเลยเรายังคงสรรเสริญพระเจ้าเสมอและเรื่อยไปมีพี่น้องท่านหนึ่งค่ะเขามักจะชอบไปน้ำมาศการยังขิดจักรต่างๆโดยเฉพาะบางทีไปคิดจักรต่างประเทศนะคะก็จะไปร่วมนมาศการแลหลายต่อหลายครั้งที่เขาก็จะกลับมาบอกว่าเขาเองไม่เห็นได้รับอะไรเลย ไม่ได้เป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับภาษาไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับสถานที่หรือการต้อนรับหรืออะไรทั้งสิ้นเขาบอกเขาไม่เคยได้รับพระพรจากการนมัสการพระเจ้าเลยจนหลายคนแปลกใจก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรในที่สุดเรารู้คําตอบค่ะว่าเขาไปเป็นแค่ผู้สังเกตการ เวลาเราไปน้ำมันสการพระเจ้าในสถานที่ใหม่ๆเราจะรู้สึกเราไม่ค่อยอินเวฟไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่เราจะไปเพื่อสังเกตการดิฉันเคยอยู่ในคิสจักรแห่งหนึ่งที่ทีมน้ำมัสการเป็นดารานักร้องเป็นศิลปินหลายคนมาน้ำมัสการพระเจ้าเหมือนมันนั่งฟังคอนเสิร์ตเลยค่ะโอ้โหซุปเปอร์สตาร์ที่เขาชอบจะร้องเพลงยังไงนะ จะจับไมท่าไหนาจะดีดกีตาร์ด้วยคีย์อะไรหรือว่าจะมียิ้มหรือหลุดบ้างไหมนะคะแล้วก็จะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นกน็ไม่แปลกใจถ้าการไปเป็นแค่ผู้สังเกตการแล้วทำให้เขาขาดพระพรพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เรามานมัส ก, การเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการ์แต่พระองค์ปรารถนาให้เรามาเป็นผู้นมัส ก, การเราไม่ได้เป็น observer แต่เราเป็น True worshiper ไม่แปลกใจคะ่ะถ้าเรามานมัส ก, การแล้วเราขาดพระพรเพราะเรามาแค่สังเกตการ mm hmm. เขายืนไหมเขายืนไหมที่นี่บทนี้ยืนยาวและยืนนานหรือเปล่านะคะยืนตลอดเลยหรือจะนั่งแล้วร้องเพลงอะไรโอ้ใช้เพลงฮิมไม่ค่อยชอบเลยมีเพลงมันกว่านี้ไหมโอ้นักร้องเพี้ยนทั้งเลยแล้วเราก็รู้สึกตำหนิเราก็รู้สึกติโอ้วันนี้โอ้ชอบชอบวันนี้เพลงโปรดเลยโอ้วันนี้เพลงใช่เลย แล้วเราก็รู้สึกแค่ความรู้สึกของตัวเราใน้สุดเราก็ขาดพระพรดิฉันจึงหนุนใจค่ะหากว่าท่านมีโอกาสนะคะได้ต้องไปนมัสการที่อื่นอาจจะเพราะด้วยความจําเป็นเพราะด้วยธุระหรืออะไรก็แล้วแต่ไปและไปเป็นผู้นมัสการทุกครั้งนะคะดิฉันเคยไปร่วมนมัสการที่คิดจักรของพี่น้องประกยนะคะภาษาเขาเราฟังไม่รู้เรื่องเลย แต่ทำนองเพลงเนี่ยคุ้นหูอยู่แต่เมื่อเขาร้องเพลงแรกนะคะดิฉันร้องไห้เลยทุกคนถามว่าเข้าใจเหรอดิฉันบอกไม่เข้าใจหรอกแต่การนมัสการพระเจ้าเป็นภาษาสากลที่เราทั้งหลายสัมผัสได้โดยพระวิญญาณไม่ได้ด้วยความรู้ของเราเพราะอะไรคะเพราะท้ายที่สุดการนมัสการที่สำคัญก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ชมแต่องเดียวไม่ใช่เรา ผู้นำนมัสการจะนำดีหรือนำไม่ดีไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ชมแต่องค์เดียวมีคิดจักหนึ่งในต่างประเทศค่ะเวลาเขานำนมัสการโทษนะคะผู้นำจะยืนแบบนี้เขาจะจะยืนหันหลังให้ที่ประชุมเพราะเขาถือว่าให้พระเจ้าเป็นผู้ชมแต่องค์เดียวเขาจะนำที่ประชุมเข้าสู่การนมัสการเขาไม่ได้เป็นการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขา ไม่ได้เป็นการโชว์ขับร้องของเขาไม่ได้เป็นการโชว์แอคติง้งการแสดงท่าทีหรือน้ําเสียงของเขาแต่เขารู้ว่าเขาจะนําประชากรของพระเจ้าเข้าสู่การสรรเสริญเพราะเราทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าขอให้เราตระหนักในสิ่งนี้อยู่เสมอนะคะและแประการหนึ่งนะคะที่เรานมัสการพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเยซูทรงตรัสสั่งแล้วว่าให้เรานมัสการพระเจ้าด้วย จิตวิญญาณและความจริงอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่ยีเป็นตอนที่พระเยซูได้พบกับหญิงชาวสมาเลียคนสมาเรียในยุคสมัยของพระเยซูน่าสงสารนะคะเขาเป็นคนที่คนยิวลังเกียติและไม่สามารถที่จะเข้าไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารที่เยรูซาเล็มได้เขาจะต้องมีพระวิหารโดยเฉพาะของเขาและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความคิดและคําถามของผู้หญิงคนนี้ที่ถามพระเยซูว่า และต่อไปอ่ะเขาจะนมสัส ก, การที่ไหนพระเยซูบอกว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วแต่คนทั้งหลายจะนมสัส ก, การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเท่านั้นนี่จึงเป็นเหมือนมาตรฐานในการนมสัส ก, การพระเจ้าของชีวิตของผู้เชื่อเราหลอกคนอื่นได้เราฮัเลรุยาเรายกมือเราร้องเพลงเราร้องไห้เราหลอกคนอื่นได้แต่เราหลอกพระเจ้าไม่ได้ พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจของเราว่าเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงแค่ไหนพระองค์ทอดพระเนตรจิตใจคนอื่นไม่รู้หรอกใจเราเป็นยังไงเราร้องเพลงเพราะมากเราปลุมือดังมากเราฮาเลลูยาดังกว่าใครเพื่อนเลยแต่ใจเราไม่ได้คิดอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่รับแต่บทเพลงที่เราร้องจากหัวใจด้วยความจริงใจนมัสการพระองค์ด้วยความจริงและจิตวิญญาณจะเป็นเครื่องหอมบูชาที่พระองค์โปรดปราน เป็นเหมือนควันหอมเป็นสิ่งที่สรรเสริญพระเจ้าจากชีวิตของเราบางคิสจักนะคะเขาเล่นดนตรีใช้แค่สองโน้ตเองติ้งนองติ้งนองติ้งนองติ้งนอ ง, ง, น อ, งอยู่แค่นี้นนะคะ่ะคนทั้งที่ประชุมร้องไห้สารภาพบาปกับใจแล้วเกิดการฟื้นฟูใ น, นคิสจักแห่งนั้นไม่ได้ต้องการให้บทเพลงจะต้องสวยงามเลิศหรูแต่ถ้าได้ก็ขอบคุณพระเจ้า แต่กาลังจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่เราจําเป็นต้องนมัส ก, การพระเจ้านั่นคือจิตวิญญาณและความจริงที่พงค์ทรงเรียกร้องและคําคํานี้ใครพูดคะพระเยซูเคยทรงตรัสไว้แล้วเรากําลังนมัส ก, การใครนมัส ก, การพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณเบื้องสุดและนี่เป็นสิ่งที่พงค์ปรารถนาใช่ไหมคะที่พระงค์บอกว่าถ้าจะนมัส ก, การเราจงนมัส ก, การเราด้วยจิตวิญญาณและความจริง นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเองทั้งหลายจึงต้องเข้าสู่กนนารนมัสการนะคะและในช่วงท้ายนะคะที่ฉันอยากจะนำพี่น้องทุกท่านได้ทราบเมื่อกี้ที่ฉันได้พูดคำคำหนึ่งว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ชมแต่องเดียวจริงไหมคะจริงนะพระเจ้าทรงเป็นผู้ชมแต่องเดียวแต่รู้ไหมคะว่าเมื่อเรานมัสการสรรเสริญพระเจ้าเราได้รับด้วย เราได้รับอะไรมีทั้งหมดสประการนะคะประการที่หนึ่งเราได้เห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้านะคะในพระธรรมสองพงศสวดา์บทที่หข้อ13ถึง14บอกว่าคนทั้งหลายนะคะสรุปว่าคนทั้งหลายที่เป็นนักดนตรีนะคะได้สรรเสริญพระเจ้าได้ร้องเพลงโมทนาเป็นเสียงเดียวเขาได้สัมผัสถึงว่าพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิด พันิเวสของพระองค์ก็มีเมฆเต็มปกคุมไปหมดจนปุโรหิตยืนปณิบัติไม่ได้เมฆนั้นก็คือพัิริของพระเจ้าเต็มพนิเวศของพระเจ้าเราอยากเห็นคิดจักวัฒนาเต็มไปด้วยพัิริของพระเจ้าและนั่นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนมัสการและเราจะได้พบการทรงสถิตของพระองค์ประการที่สองนะคะเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราจะได้ใช้ชนะท่ามกลางจิตใจที่ท้อแท้ และหมดหวังนะคะยิ่งเราท้อแท้อ่อนแอจงเข้ามาหาพระเจ้านะคะสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมอิสยาบทที่61ข้อที่สบอกว่าบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในสิยนเพื่อประทานมาลัยแทนขี้เท่าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ พระโมแห่งการสรนเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสําแดงภพระสิริของพระองค์น่าแปลกยิ่งเราสรรเสริญพระเจ้าจิตใจเรายิ่งได้รับกำลังท้าทายพี่น้องทุกท่านนะคะวันไหนที่ท้อแท้หมดหวงังหรือพบกับปัญหาไม่รู้จะไปที่ไหนมาคิจักนะคะ มานามัสการพระเจ้าพี่น้องแต่ละคนเป็นเหมือนฐานเพลิงที่ต้องอยู่รวมกันเพื่อให้เปลวเพลิงนั้นยิ่งโหมกระหน่าและถ้าเราเป็นฐานเพลิงที่กําลังจะมอดไฟแล้วยิ่งต้องมาใหญ่เลยนะคะอย่ารู้สึกว่าไปเดินห้างดีกว่าจะได้สบายใจไปดูหนังแล้วกันจะได้ลืมไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วกันจะได้ปรับทุกข์กับเขาอันนั้นชั่วคราวค่ะแต่ถ้าอยากจะมีชัยชนะในหัวใจที่ท้อแท้อย่างยั่งยืนนะมานามัสการพระเจ้า นะคะเราจะได้รับสิ่งนี้ด้วยประการที่3ค่ะเราจะเกิดสันติสุขในพระธรรมสดุดีบทที่8 4ดข้อสความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยในพันิเวศของพระองค์เขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอดูสิคะเราสรรเสริญพระเจ้าแต่พระองค์บอกว่าความสุขเป็นของผู้ที่สรรเสริญพระองค์ถึงกลับไปที่ประโยชนแรกๆที่ดิฉันได้บอกว่าการสรรเสริญนมัส ก, การพระเจ้าจริงๆแล้วเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วย นะคะและประกาศสุดท้ายนะคะเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเราจะได้รับกําลังจากพระเจ้านะคะเราจะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าในสิโยนอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่84ข้อ7ทุกครั้งที่เราวิ่งแข่งบนลู่แห่งชีวิตในโลกนี้นะคะจะต้องขึ้นเนินเขาลําบากแค่ไหนจะต้องดิ่งลงไปในหุบเหวที่ลึกแค่ไหนก็แล้วแต่ อย่าให้คำสรรเสริญหรือบทเพลงขาดจากปากของเรานะคะสุดท้ายที่ฉันอยากจะถามทุกท่านนะคะแล้วก็ลองให้ทุกท่านลองดูเอานิ้วชี้ขึ้นมานะคะลองไปอังไว้ที่ใต้จมูกเลยคะ่ะยังมีลมหายใจอยู่ไหมคะยังมีนะและนี่เป็นบทสุดท้ายที่บอกว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิตดตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่สรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน ะะสุดท้ายวันนี้ดิฉันขอบพระคุณพระเจ้าที่มีเพื่อนผู้รับใช้ท่านหนึ่งได้มาร่วมอยู่ท่ามกลางเราในวันนี้นะคะพี่ท่านนี้เรารู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ท่านเองทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ในที่สุดก็ได้ไปเรียนพระคัมภีร์และพระเจ้าก็ทรงเรียกท่านให้ได้ถวายตัวเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาจนณ ว, วันนี้นะคะท่านได้มาเป็นมิชชันนารีที่มีภาราใจ กับพี่น้องชาวเวียดนามวันนี้ดิฉันได้เชิญพี่ท่านนี้มาเพื่อที่จะถวายเพลงพิเศษท่านมีของประทานอย่างหนึ่งค่ะคือการที่นำพระธรรมสดุดีมาใส่ทํานองและเป็นบทเพลงโดยที่พระธรรมสดุดีไม่ได้ถูกบิดเบือนหรือตัดทอนเนื้อหาแต่อย่างใดนะคะเป็นสดุดีทั้งทั้งทอดเลยนะคะที่มาใส่ขอดเข้าไปนะคะเป็นบทเพลงและทาให สิ่งนึงเนี่ยช่วยดิฉันอย่างหนึ่งก็คือว่าดิฉันสามารถท่องพัมพีได้ง่ายขึ้นเมื่อใส่เป็นบทเพลงและวันนี้อยากจะขอพี่น้องนะคะจะเปิดตามนะคะในสดุดีบทที่9กบสนะคะข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะแล้วก็ผู้ที่จะมาถวายเพลงพิเศษในวันนี้นะคะชื่อพี่บุญลวีนิลพันธ์นะคะท่านรับใช้อยู่ที่คิดจากอุดร น, นะคะแล้วก็มีภาระใจกับพี่น้องชาวเวียดนามเดี๋ยวเมื่อ ท่านร้องเพลงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนําพี่น้องทุกท่านอธิษฐานสรุปการเทศนาในวันนี้นะคะกลับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะพระเจ้าชื่อบุญ ล, ลวีนะคะรับใช้อยู่ที่จังหวัดอุดรนะคะเพราะว่าเริ่มต้นเราใช้อยู่ที่นันจะไปไ ป, ไปประกาศกับนักศึกษาเวียดนามนะคะที่มาเรียนที่จังหวัอดอุอดรก่อนหน้านั้ น, นรับใช้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับการเทศนาในวันนี้และขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์วันมากๆกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมนมัสการด้วยกันที่นี่นะคะแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องค่ะว่าในพระธรรมสุดีบทที่119ข้อ54ได้กล่าวไว้ว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าได้เป็นบทเพลงของข้าในเรือนที่ข้าอาศัยอยู่ฉนันจึงต้องสะสมพระดำรดของพระเจ้าเพื่อจะจําด้วยและที่จะได้สรรเสริญพระเจ้า แล้วก็ในสตุดิบทที่42ข้อที่8ได้กล่าวไว้ว่ากลางวันพระเจ้าทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์และกลางคืนบทเพลงของพระองค์ก็เป็นคำอธิฐานแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงได้ใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าที่บ้านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่คริสตจักรเมื่อมีปัญหาหรือมีสันติสุขข้าพเจ้าก็จะหยิบกีต้าร์ขึ้นมาและให้ษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าคะลูกขอสะสมพระดํำรัสของพระเจ้าลูกขอนมัสการพระองค์ในเรือนที่ลูกอาศัยอยู่และข้าพเจ้าขอถวายบทเพลงนี้แต่พระเจ้าขอพระเกียรติสิริเป็นของพระเจ้าเพียงผู้เดียว ะะเป็นการดีที่จะโมทนาระคุณพระเจ้าข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและความสัตว์สุดธจริตของพระองค์ กลางคือเป็นเพลงด้วยพินสิบสายและพินใหญ่พินเขาคู่ข้าแต่พระเจ้าพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ยินดีชื่นบาน ด้วยภาราชกิจของพระองค์เป็นเพลงด้วยพินสิบสายและพินใหญ่พินเขาคู่ขาแต่พระเจ้าเพระเาะพระองค์ทรงกระทมให้ขา้าพระองค์ยินดีชื่นบาน ด้วยพระราชกิจของพระองค์ขอสวัสวายเกียรติพระเจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะขอเราจะร่วมใจการที่ฐานนะคะสาธุการพระเจ้าพระบิดาที่รักพวกผู้ทรงสมควรเกียรติการสรรเสริญ พงเจ้าข่าขอให้ชีวิตของเราทั้งหลายจะอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เราทั้งหลายจะมีบทเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้าชีวิตของเราจะนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์นั้นสมควรและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสรรเสริญพระบิดาเจ้าค่าขอพระเจ้าได้โปรดทรงเมตตาที่ทุกหัวใจของเราทุกถ้อยคำของเราที่สรรเสริญต่อพระองค์นั้น จะเป็นเครื่องหอมบูชาที่พระองค์จะทรงโปรดปรานและให้เป็นที่ถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเรานับจากนี้เราจะเป็นผู้ที่จะรักการนมัสการทุกครั้งที่เราจะเข้ามายัางพระนิเวศของพระองค์เราจะมานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราจะได้พบพระพัก พระองค์หน้าต่อหน้าพงเจ้าข้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับกำลังใหม่ที่มาจากพระองค์เสมอขอพระเจ้าอวยพระพรพระวจนะคำของพระองค์ที่ได้ยินได้ฟังนี้แล้วจะเป็นพรแก่ชีวิตของข้าพงทั้งหลายสืบไป และจะให้ชีวิตของข้าพงศ์จะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่ําลงให้ชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายจะเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่ชอบพระไถยของพระองค์เสมอข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระคุณพระเจ้าขอถวายสรรเสริญแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานทูลขอร่วมกันด้วยความเชื่อนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอมเมนขอพระเจ้าอวยพรพค่ะ